ก็มาดูสีข้อไหนเราไปพัชรามันไม่ได้มาดูสีก่อนด้วยอ๋อมาไล่สีอ่ามาไล่สีเออหูไม่ถ่ายแล้วจ้ะราม่ไม่มีตาเมย์ไม่มีภูษาไม่มีสราหนูเลอกแลกเลอกแล้วเลิกแล้วก็มาดูไอ้สีก็ีย่ีก็จบแต่เอเดี๋ยวดีต้องครอบัวอีกทีมันอัตโนมัติหรือยังอ่าเออตอนนั้นอาชิกหนูน่ะมันมันชอบแบบ <โ> <ike> อ nick, ชอบแบบไปบ้านน้นบ้านนี้เสือกอ่ะอ่ารบแตลบาเนี่ยรถถเสือกไปบ้านโ้นบ้านนี้ไอ้หนุ่มเนี่ยดเอ๊ะดึงกลับดึงกลับมาหรือว่ายามฟอกพิจิตรอกพิจิตอ่าแต่ไม่รู้เล้วก็ฟอกนะแต่มันเป็นเองหรือว่ายามยังไเอาดีกว่าดึงกลับดี๋ยไปยิงชาวบ้านเลยดึงตัวครูดีกว่าไึ้่าพยายามเล่นอย่างนี้ทุกวันทุกวันนะทำอ่ะครับครับก็นี่หนุ่ก็ พอนมัพษาตุกงคืนน่ะหนูก็ทำมนรมะพาะธาวันพ้านี่หนูจะแยกห้งนอนเลยนะนอนคนเดียวจะไปพระจะไามณีจะไปพระจุาณีอ๋อที่งทุนแยกนจะไปจูฬายได้ไปพระจุามีให้ได้ก็พอแยกห้งมาเนี่ยหนูก็ท่องธรมาพระธาตุิตหนูอะเป็นก้อนๆอย่างเงี้ยนะเป็นลูกๆหนูก็สั่นวบๆวบๆวอ่าเงี้ยมันมันสั่นอเงี้ย ่ะน้ำมะพร้านเขาเยมันก็สั่นๆๆๆสัยนางเงี้ยมันสั่นเป็นโอ้โหมันรัวมากเลยน้ำมะพร้าก็รัวมันหลุดเบเลยไอไอคาบภาบที่ผิวนอกกลมๆอ่ะมันพอมันหลุดออกไปเฮ้ยเออดีเว้ยมันเบาดีเออขอบมีน้ำมันายาโดคาแทกแทกตลอดเลยเวลาทําจะมีน้มะพร้าวน้ำมันพายายอย่างนี้แทกอ่นแหละ แล้วเออมีคาถาไงกิจจิตสมาธิศสระมามิดตังมาจะไหนอ่ะไอคาถาเรกิจหลวงพ่อเพราะเพราะหนูก็เห็นเพื่อนก็มีคาถาหนูก็จดมาแต่แต่เวลานี้ยหนูก็ท่องไม่ค่อยได้นะแต่เวลามันเป็นมันท่องได้เองอตโนมัตอ่ามันอตโนมัติแลมันก็ล้วนมันหลุดึนเบาดีวเออทีนี้พอนั่งนั่งไปไอไอไอตัวมีความรู้สึกว่าไอตัวเขาาวหนวนะมันกระโดด มันกระโดดชนะแล้วชนะแล้วชนะแล้วมีความรู้สึกอย่างนั้นก็ออเออชนะอะไรว ะ, ะแล้วหรือ <c oughs> เอ๊ะมันทำไมบอกชนะแล้ ว, ลวโอ้ชนะไอ้ไอ้หูที่มันเกาะแล้วมันหลุดก็ อ, <c oughs> <c oughs> อชนะตัวนี้แล้วมั้งไอ้นี่หนูก็พ ย, ยายามทําทํานมาพระตะทำแบบเรื่อยๆมาเลยอะ่ะรู้ว่าทําทีนี้ก็ ไล่พวกนี้แล้วอะไรดีแล้วจิตไห้นั่นดีแล้วก็ท่องน้ำมาประาก็พอนั่งมันโยกก็เลยนอนนอนนะมันจะไปแบบนอนทุกครั้งเลยโอ้โหเรียกว่ามาโนนอนมนอนะ่ะนอนทุกครั้งเลยเราไปก็เด็กเด็กมีขึ้นไปได้แล้วทีนี้หนูก็เป็นชุด ข, ขาวด้วแหละมันมีแสงพุ่งมาที่บ้านเนาะมันมีแสงนี่อยู่ก็คานตามแสงคานหนูก็คานชาด พอลูกสูงหนูงี้ยมาลูกสูงจังถ้าพุณลุงไปตายหายแน่เลยคุณลุงไปตายหายแน่ตายแน่แนเลยหรือว่าถ้าคุณลุงไปตายแน่เลยวางี้หม we we ันสูงจริงอะอว่าขาดหนูกลัวงหว่าขานขาดดูก็ไปเกาะเกาะว่าเป็นไมมาหลวงพ่อเกาะเลยกที่แสงหายไปเลยอะหนูก็กระดกกระแดกกระดกกระแดกไอไอตัวล่างอะหนูก็นี่คุลงแล้วก็ดดูก็จะลูกดูหลวงพ่อ เฮ้มาไงหลุงพ่อแพ่มาไงมาลุงพ่อเอ้เออขึ้นมาหนูก็พุทขึ้นได้เลยพอพอขึ้นได้หนูก็กล่าวลุงพ่อนี่หลุงพ่อก็นั่งฉันมากอยู่นั่งฉันมากเลยู่นี่หนูก็ดูดูรอบๆอะนะดูรอบๆโอ้โหเฮ้ยไหม่มันไม่แวบไม่พัชสุลามันีเลยมันไอฟุ้นก็ไม่ใช่มันมันคล้าย นี่เป็นปูนมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยับเอ๊หลวงพ่อทำไมเอ๊อยู่ปูนก็ว่าอยู่ประสาทนี่หว่าทำไมอยู่ปูนวะของจริงของปอมเะอ่าขึ้นเนี่ยว่าแล้วแล้วแล้วแล้วเวลาไม่ค่อยท่าโอ้โหเวลาเยอะแยะหลวงพ่อหรือว่าเวลาไม่ค่อยท่ามามามาเห็นหลวงพ่อเหรอน่อ่าอขึ้นไปแล้วบอกเวลาเยอะแยะอยากจะดูอะไรอีกอ่ะ นี่หลวงพ่อบอกเวลาไม่ค่อยท่าหลวงพึกรู้ว่าเวลาของเราเนะ่ะมันมีน้อยมากที่ทํากรรมฐานขึ้นไปอะ่ะจะล่วงซะก่อนโดยที่จะไม่รู้เรื่องเลยเนี่หลวงพ่อบอกนั่งนั่งนั่นั่งน่งอไรเงี้ก็ให้หนูใช้หย <Roberts> ิบอ่านโมพุทธิยาหนูก็ไปคน้คนคน้นค้นมันก็เป็นหน้านะของไทยของมันแล้วนะหนในตะก้าหนูก็คุยคหยโนี่หลวงพ่อหน้าหนูมีด้วยเออเออหนูมีหน้าด้วยเหรอเนี่ยเออนี่หลวงพ่อให้หนูใส่ให้ให้หนูใส่อ่ะ ใส่ใส่ข้างบนน่ะเพร่หนูพ่อหน้าหนังไม่เกลือหรอเออใส่เออหนูก็มีหน้าเลยเนาะอย่างอย่างที่เขาเรียกที่ใส่อะแล้วหมใหญ่ละหนูก็ได้แบบนั้นข้างบนน่ะก็ใส่ใส่แล้วหูกพ่อก็ลดน้ำมวนให้หนูลดน้ำมันด้วยเหลดน้ำมันเป็นกระแตงเลยอะถังนังเลยแสดงว่ารอการหนักวะวันนี้ก็ลดน้ำมันเนาะอริพูดเลยนะน้ำผีไร้ออกไปน้งผีไร้ออกไป หลวงพ่อพูดนะหลวงพ่อพูดทีนี้ก็ลงมาพอดีเลยลงมามือยังเป็นข้าพนมอยู่เลยนะกลา้าเฮ้ยของจริงนี่หว่ากูยังพนมอยู่เลยแล้วหนูก็ลุกขึ้นมาตาตากตานะตข้างล่างอะนะตากหลวงพ่อเพราะท้างบนตากไม่ทันลงมาซะก่อนนี่แหละเราจะตากข้างล่างเพอาะเออของจริงแง่เลยเอแต่มันยังเป็นโผนอยู่เว้ยยังเป็นโผนอยู่มันยังไม่แบบ แ้่จะทำยังไงดีดูพวกมาดีถ้ามันมันต้องเป็นพระจุลามันเด็มันมันต้องมีแวบๆแบบเขาพูดกันล่ะเออเอ้เราไม่แวบแล้วผีทำยังไงเอ้ต้องบอก่เจ้าว่าช่วยแล้วมันไม่แวบแล้วีมันไม่มีเลยแล้วนี่แลนวว่ามาดูว่าเออหาสิ่งก็ครบแล้วเอ่งครบครบอ่าบุแล้วอ่าบุญมาทำเหนือจะทำยังไงดีดูก็มาวัดทาสรงเนี่ยอาทิตย์ละครั้งละครั้งละรั้มาทสงัตาน อทุกอาทิตย์เลยพอรูก ข, ขายได้วันอาทิตย์วันจันทร์หนูมาทำขายวันอาทิตย์วันจันทร์หนูมาทําคือแบบว่าหนูจะเร่งทำสังฆทานเพื่อให้เจอแบบแบบเพราะว่านหนูคิดว่าบุญหนู่น้อยมากเลย เ, ออเพราะไม่ได้ทําอะไรมาเลยแล้วผิดศินเรื่องกินเหล้าเด้อะไรอย่างนี้ออก็เลยมาทําสังฆทานก็ตาก บ, บ้านก็จะเป็นเงินพระ อ, อ่าแฟนบอกข้างในทําจังวะปฟนบอกหนูก็เลยเออเอ อเดี๋ยวไม่ทำแล้วเดี๋ยวขอวันพระวันเดียวตอนี้เอาวันพระเอาวันพระใจเขาทักว่าแล้วไงคุณนอนแยกเขามากโอมันหลายวันเลยน้องไปหลายวันเลยตอนนี้ก็ขอวันพระเดี๋ยววันพระหนูก็เลยนั่งทาอย่างเงี้ยเพราะเพราะนอนเวลานอนจ่ภาวนาจะระแวงกลัวจะดิ้นมาถูกตัวแล้วมันจะเสียสมาธิเพราะหนูชอบแยกแล้วจะเราจะไม่มีความระแวง ถ้าถ้าอยู่คนเดียวนะ<อ>ถ้านอนกับแฟนมันมึดหัวเขาจะมาถูกบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็จะระแวงแวก็มันจะไปไม่ได้ดีนี่มันเป็นเรื่องที่แบบว่าชวนให้หนูติดตามเพราะว่ามันได้แบบอย่างนี้คือขึ้นไปตามสายไปหาหลวงพ่อได้ด้วยอะไรอย่างงี้นะแล้วกางวันเนี่ยพอหนูขึ้นเน่ะจะเจอพระสกัดศพที่ที่หลอหลอพระเนี่ยชื่ออะไรอะพระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์หนูขึ้นไปรลางวันอท่านจะโดดอยู่ในป่า หนูหนูก yeah. ็เด ah, ินตามท่านนะท่านก็เดินหอ้เร็วเร็วหนูก็เดินเร็วเรวร็วทีนี้หนูเห็นที่ทำไมใบไม้มันเหมือนกันหมดเลยไอหนุ่มก็ต้นขนุนอันีต้นมะม่วงใบเหมือนกันหมดเลยแต่มันเป็นขนุนนี่เป็นมะม่วงใบมันคล้ายกันหมดเลยทีนหนูก็ไม่ตามท่านแล้วก็ดูไอใบมะม่วงกับใบขนุนนี่เหมือนกันไม่ใช่เออไม่ได้เลือกเออเหมือนกันหมดเออเหมือนกันหมดได้ยังไง แล้วก็ลงมาแล้วก็กลางคืนทำทำนี่หนูก็มาดูกำมบทสิกนะตอนนี้อีสิบห้าเฮ้ยดูกาหวดสิบกว่าไม่ไม่ไปยุ่งเรื่องทาวบ้านดีกว่าหนูก็ทาอยู่พักหนึงไม่ยุ่งกับเรืาบ้านหนูก็มาดมันแยกออกแค่สิห้าเองอเออมันมันไม่ ย, กยากเลยกำหมดสนบไม่ตอมอ้ตองยร่งดีวกว่าก็ถ้าเธอทัดตัวคนนี้ะจะทดสอบตัวเองว่า เขาไปได้เพลงโคงจะมีถ <Then> ึงห้าแล้วก็ตัวรบศิษย์เขาถึงไปกันได้ใจเราไม่เต้ใจไม่เตี้ยงั้นเราต้องเริ่มทำตัวรบศิษย์พอเริ่มทำตัวรบศิษย์นี้ก็พอทองมะ้างพระ่านคีนะนะก็เกีที่ะเจ้าปาปางางนี้นะปางอย่างนี้เรียกปางอะไรไม่างัเรียกปางอย่างนี้กัลกันสามสองสามสองสามหรือสองเออ นั่นวตจะว่าจะว่าจะว่าไสามศูนเออจริงจริงก็อเอออ๋อใจใจนั่ก็ไม่ใช่หวยนะลุงเนี่ยปางทีนี้ก็ลอยๆอยมาลอยมานะว่าให้หนูน่ะให้ตัดว่าทุกให้เห็นทุกอะไรนะให้เห็นทุกเออให้ให้ให้เห็นทุก ให้จับตัวเนี้ว่ามาพิจารณา<อ>ว่าเกิดมาอย่างมีทุกข์ไหมคือท่านมีรอยนะท่านที่เสียงโอห์เพราะมากนะะเขาเขาเขาท่านเรียกว่ามานกน้อยอ่าในในนั้นนะมานกน้อยแต่หนูเคยบ่นด้วยอ่าพระพุทธเจ้าไม่มองไม่เห็นเรา เ, เราไม่ต้องจะบองพะพุทธเจ้าว่าม า, า, มานกน้อยอเราเห็นท่านตลอดเวลาแต่ท่านจิตมองไม่เห็นเรา ท่านท่านพูดเยียวยมากแล้วก็สอนว่างห้เนี้ยให้ให้เอาลความทุกเนี่ยมาพิจารณาว่าเกิดมาเนี่ยมันทุกข์ไหมเตือนว่ะขิงเขายังไงก็ไม่ทุกข์เหนื่อยแทบตายก็ยังไม่เห็นทุกข์เลยรุกนั้นอ่ะที่ฝึกไม่ได้อ่ะตอนฝึกไม่ได้ไม่เห็นทุกข์ไม่เคยเจอทุกข์เลยมึนอย่างเดียวมึนอย่างเดียวอมึนอย่างเดียวไอ้กัข้าวไม่มีกินอะไรก็เฉยๆธรรมดาใชาไหมดูดูที่คนเพศนั้น ท่าที่มันทุกข์แทบตายพอเราคิดแ่้วโอ้โหแค่ตายเกิดไม่ทุกข์คือคือคืาท่านให้แล้วอ่ะแล้วเราก็คำพิจารณาย้อนไปอ่ะเกิดมันทุกข์เวยเกิดมามันทุกข์อะไรอย่างนี้นี่อ่ะอเออหนูก uh ็ huh. <ral> อ่ามันทุกข์จริงจเขาหมทุกข์เออทุกข์เกิดมาเนี่ยมันตั้งแต่เล็กยังโตเลยอะไรเงี้ยมี่ทุกข์ตลอดมีแต่ทุกข์ก็พอมันไม่ถึงพ่อแม่เราพ่อแม่กปล่อยให้หนูอยู่กับพี่ชายเจ็บเจ็บปวดอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ไปขายของกันที่อื่นเลยเขาไม่ค่อยสนใจหนูอย่ี้พี่ชายสี่คนพี่หญิงคนเดียวนะมันเป็นลูกคนสุดท้องหนูก็อยู่พี่ชายหนูก็นึนอันนั้นมาตลอดเองมันทุกข์ก็เห็นทุกข์เนี่ย จับจิตจับใจว่ามันทุกข์มากมันตามันก็ไหลเวลาไม่ถึงนะไม่ถนงตาโไ่าลว่ามันทุกข์มากอะไรมากตรงนี้แล้วก็พรายานปฏิบัติว่าเจอพระพุทธเจ้าแล้วให้ให้ให้ตัดเร่ทุกข์ตรนี้ยงนก็ทำามาท่นก็ขึ้นไปที่โบสถ์โบสถ์ข้างบนมันเป็นปูนนนลุงเป็นปูนแช่ทาไมบวช ข้างล่างก็เป็นปูนข้างบนก็เป็นปูนที่อยู่ว่าเข้าไปพระพุทธเจ้าท่านนั่งอยู่ข้างในโบสถ์โอหโหสว่างนะี่ยกล้าเลยอ่ะออาาจากองค์ท่านเลยนะใส่ถุงเนี่ยโอ้โหล่อไปหมดเลยอ่ะสว่างก็ตาท่านนี่หนูก็มองไปรอบๆเองพระพุทธเจ้าท่านมาอยู่ที่โบสถ์แล้วทําไมเป็นปูนแล้วที่จิตเราไม่ดีนีกว่าจิต เ, เรามันคล่องตรงไหนทําไมเป็นโปูนอยู่เรื่อยเลย นี่ก็สาไม่ไม่แวบแต่พระพุทธเจ้าสว่างมากนะพระพุทธเจ้านี่ท่านสว่างจริงๆแตแฝงแบบบอกไม่ถูกแบบสปอรตไลท์อะลูจสปอตไลท์ใหญ่ๆอะอะไรขู่ขูเลยอะแต่หนูก็มาพิจารณาข้างๆนี่ก็เป็นปูนก็เป็นตูนหนูก็เลยปูนก็ปูนปู้ก็ปูนหนูก็ขาดท่านแล้วก็ลงแล้วก็มาฝึกสามส3 7เจ็ดไ้า เด็ดหนูก็มาทุดงอีกจะมาเจอพระูลามันนีให้ได้โอ้ังใจเรื่องลาอ่าังใจเราเพื่อมันแหมก็แฝอโอ้โหสวยสวยมากคนเดียวสวยมากดูวะหนูต้องเจอให้ได้หนูกะสามเจ็ดหนูก็มาเอกมาทาบุญที่อ่อพอวันเสาร์นะจะเต้นมัยเต้นโอหกเชือเสาไม่หัจะขีดไม่รูเต้นร มัก็เต็นบ่บ่บ่บ่บ่หอนมันจะขาดมันก็จะหลุดทีนี้ทำยังไ้ยู๋เดี๋ยวเขาบอมันเหนื่อยนะมันเหนื่อยมันแตกขาดมันจะตายมันก็หายมันตายมันก็ไม่ตายตัดยังไงมันก็ไม่ตายทำไงเฮ่อเายแล้วนั่นมันถ้าไหม่ไม่ตายต้องทีวันละทิศแล้วแล้วมันมันทีนี้ยู๋ก็มาดูต้องเอามาเอ่อวันละทิศนึงก็พอไอ้นั่นมันก็เต้นนะเลย มันก็เป็นเต็มเต็มเต็มเต็เเ็กําลังไม่เอาขึ้นกําลังก็ได้หวานนี้เลยเอ๋อเต็นล้างไม่เอาเราคุณพ่อขึ้นกุมล้างก็ได้ใช่หนูก็ไปที่พอพอธรรมชาตินะเลยก็มันเหมือนแบบขึ้นเครบินหนูก็ไม่เคยขึ้นเลยนะเค่องบินนะมันอื้ออ่มันนิ่มๆมันจะเป็นนังไงมันก็อยู่ที่หวางหวางหนูก็ อขอบารมีองคุณเดชสมาเถมดพทธเจ้าเลยขอขอบารมีพร่เดชสมาเถิดเจ้าหือก็ไปที่พระจุลามันแต่หนูจังไม่เห็นรอบๆเป็นแบบๆเลยนะยังเลยแล้วแล้วหนูก็มีสดาเลยนะเพระเราเหรอนี่มีฉดาด้วยแต่เครื่องทรงอาแบบแบบไอ้ไจุกหูเลาวยแล้วหนูก็แงซ้าย่ยขวาที่ไช้กุหวา ้า้ก็ใช่ขวาก็ใช่รู้ว่าเออปแน่เลยได้ก็ลงมาได้แค่นั้นเองกว่าอาทิตึ่งกาลังแต่ไม่เห็นมรุลามันอีกแล้ยังไงไม่เห็นใก็ไม่เห็นตอนนี้ก็ไม่เห็นพระพุทธเจ้าแล้วแต่ดูตัวก็แล้วเ็นตวเห็ัพระพุทธเจ้าแต่ไม่เห็นชุลมนเองไม่ไม่ไม่เห็นไม่ไม่เห็นเสาแบบแบบไม่ไม่เห็นก็มอตัวเองว่ามีชดาแล้วก็มีอะไรใส่ แต่ไม่เห็นเขาทะร่หงกันก็เลยว่าเออแต่หนูสังเกตอีกพิจงรี่นมาเดียวนะแต่หนูอยู่ที่ห้าไล่หนูก็ตั้งใหม่หนูก็ไม่ยุ่งกับใครเลยไม่อะไรหนูก็ท่องน้ำม้าพระท่ายอย่างเดียวเวลาผ่านหน้าพุทธลูกหนูก็สับพังนะสับพังเลยหรอทุกวันเลยนะหนูทำอย่างเงี้ยจนจนช่วงสุดสุดเต็มแล้วเป็นกําลังแล้วอ่ะหนูก็สับพัง ตลอดเลยพอวันช่วงวันอาทิตย์ลงมาแล้วอ่ ะ, อะมันก็ามวันจันทร์มันจันเป็นวันจันทร์ตอนกลางคืนผมไปทำที่ห้องพอไปทำที่ห้องก็ทำแบบไหนนอนเหรอนอนนั่งก่อนออนั่งก่อนทีนี้มันไม่ไหวแล้วก็นอนออพอพอนอนเสร็จก็นอนแล้วอเอาน้ำอ่นาดิอะไรอ่ะน้ำมันน้ำมัพนมพระพนี่ก็เป็นเอ่อเป็นหลวงพ่อ หนูเห็นหลวงพ่อหนูก็กราบหลวงพ่อในในที่ห้องนะหร้องมันในห้องเลยเหรอหนูกราบหลวงพ่อพ่อพ่อกราบหลวงพ่อหลวงพ่อก็หายท่นนี่เป็นแบบภาพจอาธรทัศน์ที่เป็นแบบธรรพ์ทัศน์สีเลือดลุงมันมันขายก็มีหลูงปู่ปานด้วยนะถ้าหนูไม่ได้เป็นกําลังคอสอนี้หนูจะไม่เล่าเรื่องนี้เลยนะหนูรู้ก็มันไม่จริงอัน อันนี้หนูหนูได้หนูสิงต้าเล่าว่ามันต้องกินแน่ที่เราพูดมาเพราะหนูเก็บไว้คนเดียวว่าไม่ใช่ของกินแม่เลยเพราะไม่ได้ในที่นี้ไปได้ที่ห้องไม่ใช่แน่นอนลุกว่าได้ข้างนอก ไ, ไม่ใช่ไม่ใช่ต้องได้ข้างในต้องได้ข้างในถึงจะใช่หนูไม่กล้าไค่ะังนี่ก็เป็นพารพัสดีอะ่ะเป็นเป็นรูปหนูสปพรรณก่อนก็ขายให้หนูตรงเลยใช้ลุกว่าวดูว่าลักษารที่หนึ่ง อ่าราชการที่หนึ่งตอนนั้นเ อ, อแต่งก็เป็นแบบแบบทหารอะไรเงี้ยนะหนูเ<อ><ส>กิดในสมัยนั้นว่าหนูเป็นทหารเราเป็นทหารอ่าดูถูเป็นทหาร<อ> ด, ดูเป็นผู้ชายหรือดูเป็นนี่หนุบอกเป็นั่นเราหรือเปล่าว่าจิตบอกว่าเราเป็นทหารแล้วทีนี้พระเจ้าตัพกพระเจ้าตักสิงพระเจ้าตักสิงแค่ว่าหนุ่มขาวใส่รูกประคำกะลุงกลังหนูก็คิดว่าพระเจ้าตักสิงเพราะว่านุ่งขา แล้วใส่รูปพระคำเป็นคอเลยหนูเป็นทหารอยู่ข้างพระเจ้าตักสินแล้วก็จะไปอยู่ถ้ำจะไปอยู่ถ้ำก็หนูก็ไปด้วยหนูไปช่วยเป็นทหารคือคอยภารักขาท่านบาราท่านนั่งสมาธิหนูว่าคอยโมทนาแล้วก็ได้ด้วยในตอนนั้น มีความรู้ส er ึกง mm <MA> <olm. S 2> ั้นก็ขายผ้าไปตอนนี้ในขณะที่เรานอนที่ห้องที่ผ้าลผ้าจะมมาเรื่อยามาเรื่อยเลยผ้ามาเรื่อยเลยแล้วทีนี้ก็มีว่าหนูอ่ะอยู่ในป่าอยู่ในป่าเนี้ยกำลังระวังพวกตะตัวรอบด้านเลยอ่ะแล้วทีนี้โหมันเหนื่อยมันไม่ยอมหลับไม่นอนเลยเห็นผ้าปะนะ มันมอ น, นจะดิ้นกิ่งจะตายโหทุลักทุเหนูเลยร้องไห้พอพอร้อหไห้เพจมีเสียงอูรีอูรีเธอเป็นไระอะตายตายเพจเป็นตายใหญ่เลยเหรอเธอเธออย่าร้องไห้ตามนั้นนะเขาปิดภาพเลยภาพปิดเลยพอภาพอปิดเสร็จหนูก็หนูไม่ร้องแล้วหนูไม่ร้องแล้วหนูก็ทําใหม่แล้ ว, วาามาทำใหม่ก็ภาพก็ขายต่อข<อ>ายต่อทีนี้ก็เป็นหนูเป็นทหารแหละหนูก็ไม่ร้องแล้วเพราะนนั้นมันคืออดีต เขาเขาบอกแล้วมีเสียงบอกว่านั่นคดีมี่ปัจจุบันอ่าแล้วก็เอ่อพอพอตอนนั้นก็ผ้ามันก็สไลด์สไลด์ไปก็มาเป็นรักการที่ห้าเป็นรักการอ่ามีมีรักการเนี่ยเขาบอกเนี่ยอย่น่ออยู่พ่ออยู่ผู้จังยอ่ะอยู้จงแล้วไม่ได้ออกขงในขายเล้นะเอ้ยยูนตอนเลิกผาพอเลิกผ้าหรือเกิดในสมัยนั้นด้วย ไม่ได้เลยก็ตอกกตอกวายังเลยนะแล้วมันจะย้อขนาดไหนเี่กรตอนเลื่ดชาดอะตัวเงี้ยหนูพ่ออ้าวพ่อมันได้ยังไงน่ะหนูพ่อเป็นรัฐาลเนี่ไดมาแล้วสีเหอเด๋วก็นี่พอบอกไม่จริภาพสีตายเป็นขาวดาเลยเออได้พอบไม่จริงสีตกเลยสีโทราทตกสร้างใหม่เขาสงสายต สีตกขาวดำเลยเป็นขาวดำเลยตายแล้วเปลียมาเป็นเครื่องใช่ไหมเปล่ยนเครื่องเลยพราะว่าพอคิดนี้เปี่ยนเครื่องทันทีเลยเป็นขาวดำเลยตอนแรกโอ้โหกำลังสวยสดงดงามพ่อบอกให้ค่ายจริงหรือเปล่าว่าหนูพ่อจะมาเป็นรัชการที่นีเป็นขาวดาเลยพอเป็นขาวดำหนูก็ท่องมาพิธาอีกเอาอีกเพราะท่องมาพิธาภาพข้าวใช้ต่อเลยภาพใช้ต่อว่าหนูเกิดในสมัยนี้สมัยนี้นะอล้วนี่ซีก็เป็นภาพของพ่อ หุขภาพหลวงพ่อเป็นหลวงพ่อก่อนตัวหนูอ่ะเป็นเป็นแบบพระสงฆ์เป็นพระสงฆ์หลวงพ่อไม่ได้ห่มแอีวนเป็นเป็นเป็นแบบอันนี้อันเดียวทางาแล้วอ่าอะไรแล้วก็อะไรเดินหลวงพ่อเดินหนูก็พนมมือตลอดเวลาท่านคุยอ่ะแต่หนูไม่ได้ยินเสียงท่านคุยเลยนะแต่แต่ในภาพเป็นคุยเนี่ยเปคุยแตหนูก็ลักอย่างนี้ตลอดเลย แล้วหนูวิกระดาษด้วยหนูก็ใช้ปากกาจบแต่หนูไม่รู้พูดอะไรหนูพ่อไม่รู้พูดอะไรไม่ได้ยิน่ะแต่เห็นภาพอะก็เป็นอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นในภาพในภาพในภาพว่าเป็นหนูด้วยแล้วหนูพ่อแล้วหนูก็เวลาหลวงพ่อพูดอะไรหนูจะพนมมือตลอดในในภาพนั้นพนมมือตลอดแต่แต่ปีนั้นอะหนูผมยาวนะลุงแต่หนูเห็นในภาพอะมันเป็นผมสั้นผมสั้น ผมตั้ายาวกว่านี้หน่อยหนึงผมสร้างยาวกว<ะ>่านี้อ่ะแต่ตอนนั้นผมายาหนูหมดข้างบนหนูเพิ่งมาตัดปีนี้เองอะไรเพิ่งมาตัดหนูเห็นในภาพว่าแต่หนูไม่ได้ยินเสียงว่าลุงพ่อพูดอะไรแล้วแ ล, НА, แล้วหนูรับอะไรไม่ได้ยินเลยดูสภาพเลยมาเป็นเป็นคลองน้ํามีผักตบด้วยว่าในหนูคิคดตัวเองนะว่าในลนักษณะว่าลุงพ่อบอกตรงนี้ตรงนี้จะเป็นอะไรอะไรอ้แต่จะเป็นอะไรไม่ใช่ผมบัตรของลุงจะเป็นเนี่ย จะสร้างอะไรขึ้นมาใหม่อะไรหน<อ>ูก็ไม่รู้นะไม่รู้เดาเอาเด า, ดาเอานี่แบบพออีกวันหนูก็ทําทําอย่างนั้นนะนะยันแจ้งเลยนะหนูอ่ะไ<อ>ม่ได้นอนยันแจ้งเลยดูแต่สไลด์ยันแจ้งเลยถ้าสไล<อ>อดอ์เ่บบสททศสีอ่ะก็ดูยันแจ้งเลยอ่ะดูดูแต่มันก็ในง่วงนะหนกูก็คัฟี่ก็เป่าดีอ่ะ นั่นแหละพอตอนเช้ามาหนูก็อปฏิบัติว่าหนูกินอาหารถ้าหนูกินอาหารหนูก็พิจารณาทุกทีหนูก็พิจารณาหรอกหนูกินง้อไปเลยอทีนี้หนูก็มาพิจารณาอาหารพิจารณาอาหารว่าเออหมูก็สบหมูไอ้กุ้งก็สบกุ้งสบสบหมูอ่าแล้วไอ้กุ้งก็สบกุ้ง เออพวกนี้เป็นศพหมดเลนี้มันก็ตายมาส่วนอะไรเราก็กินซากศพเข้าไปเรากินเพื่อประทานชีวิตไปเพ<อ>ื่อมันอยู่รอดเราก็ได้ทําบุญไม่เยอะอะไรที่แบบนี้ก็พิจารณาก็เออพิจารณานี้ถูกหรือเปล่าก็พิจารณาอย่างนี้เรื่อยมาก็ก็พอดีเ้าก็เลิกทู่จงแล้วพอที่สามเจ็ดอ่าพอพอสามแปดนี่นี่มาสามแปดนะ นี้สามใช่ไ so อ่าสามแปดได้มาสามแปดว่าจะไปเจออย่างตุลายังยังไม่เจอเลยยังไม่เจอเลยไล่ก็เห็นแต่าก็ไม่เจอเพื่เจ้าเอ้ยแวบๆไม่ไม่เจอเลยตุลาไม่ได้เจอทักทีเลยยังไม่เจอราวนี้พอสามแปดนี้ก็มาอ่าแต่ไอ้สามสิบเจ็ดที่สัดไปใช่ไหมหนูก็เป็นเล่นหอยใ้ดน อเลขนหวยใต้ดินบนดินเหรอบนดินนั่นแหละอ่าเรก่อดีสูก็ถูกนะถูกหลายหมื่นถูกสามหมื่กว่าบาทฝันฝันแตงก็ฝันว่าอ่กล่องวันในหลวงเอาตะตางมาวางที่กล่องกล่องเสีเก้า้ก่็ไกลก็ไกลนะก่องีเก้าอ่แล้วก็ในในหลวงไดห้าร้อยสีห้าแทงเก้าห้าเลย 200ทโอ้โหฟุกเลยอ่าดูว่าปฏิบัติดีปฏิบัติพ่อได้เงินเลยมาแทงหวยเป็นยาเลยันนี้แทงหวยเป็นยาเลยสองานเลยานเป็นเลขเลยอ่ะเล่นแต่หวยใต้ดินน่ะีนี้เสียลูกพ่อมาแล้วก็เฮ้ยเอ็งไม่ได้ไปรพานล์ชาตินะเฮ้ยนันหนูขอไปได้ปดึง เออดาวดึงก็ข้าพร้ายามช่วยออ้โหพระดาวดึงก็ยังพยายามช่วยแต่รู้แล้วนะว่าหมาพระวัตถาสุงมาไปดาวดึงอ่ตอนนี้รู้แล้วเขา<อ>พูดกันว่าอะไรตอนที่หลวงพี่สมปองพูดอะยังไม่รู้ว่าหมาก็หมาวัตถาสุงอ่ะยังยังไม่รู้ตอนนี้มันรู้แล้วอ๋อหมาวัตาสุงขึ้นดาวดึงเลยโอ้แพ้หมาเนี่หว่าหลวงพ่อบอกจะไปดาวดึงก็จะพยายามช่วยเฮ้ยแพ้หมาวัตถาสุงแม่เลยแพ้หมา ก็อ่มาก็ปฏิญาเลยว่าจะไม่เลยหนใต้ดินอ่าเลิกเลยปฏิญาเตอกับหลวพ่ว่าแต่แต่ไม่ตลอดชีวิตนึกอ๋อมีวงเล็บมีวงเล็บว่าไม่ตลอดชีวิตย้งยังมีวงเล็บอยู่เดี๋ยวเพงเนี่ยขาว่ากลัวหลวงพ่อว่าเดี๋ยวดาวประก็นกาข้าจะพยายามช่วย ขนัดดาวดึงลงข้อท่าใหญ่ยานเลยแล้วกูะจะอยู่ไหนลกเนี่ยทีนี้อนูก็ปฏิยาณว่าไม่เล่นหวยใต้ดินละก็มาสามสิบแปดสามแปดนะหรือ<ะ>มาทุ่งงไม่เล่นหวยใต้ดินเน่ยสามแปดก็มาเลยทั้งปีเลยสามสิแปดหนูไม่เล่นหวยใต้ดินปีหนึ่งเลยสามสิบเก้ามานี่ยังไม่ได้เล่นเลยนะยังไม่ได้เล่นเลยอยากจะมาขอเล่นต่อเลย <c oughs> เรารู้สาวลงพูตั้งสองคนสามแต่ดว่าูก็ปฏิบัติใหม่พอมสามแต่หนูปฏิบัติใหม่ลองปฏิบัติรูว่ากินข้าวหนึอเดียวหือไม่ยุ่งกับใครเลยมาสามแหนูไม่ยุ่งใครเลยมาท่นี่เพื่อนสูงหนูก็ไม่คุยตัวใครตัวมันหนูก็เดินยวดีวไปไหนพอผานหน้าผ้าหนูก็ลมั้งผ้่าคนันสับพังพอเดินหนูก็ละมาท่าตลอดกินข้าวหนูก็พิจารณา เสาทิศก็ไม่ได้นะหนกเต็กลังไม่ได้เ่ขนาดียังไม่ได้ไม่ได้มันตุกุกๆุๆุกจออก็ไม่อออ้จะขาดก็ไม่ขาดจะตายก็ไม่ตายตัดร่างกายไี่ขาดหนูตัดไม่ได้แล้วทีนี้ก็ว่าพยายามตัดนะพอพอวันพอวันจันนะพอเขาฝึกเ็แล้วพอวันจันเนี่ยก็มาพยายามตัดร่างกายตัดไงนั่งอร่างกายมันจะตัดยังไงดีะอืม เอ อ, เ, อ, อ, เ, อ, อเห็นภายนอกเนาะใส่กอดหนก็ไม่เห็นหูก็ไล่ตาหี่อะไรนะไล่ภายรอกหนูนี่แะเออมันตกกระปกทั้งนั้นเลยอะถึงทุ่งไร่ลองเอามาเก็บมากินดูนี่มันกะกินไหมล่มันก็กระปกเบื่อขี่หนูก็เออมันก็ตกกระ ก, กินเข้าไปดีดออ ม, มั น, น, นออกวาเป็นเหม็นแต่เออเออเออตัดใจตัดมาหรือว่าเออมันนั่งดีนะมันก็ทิ้งตัวนี้ อ่ะแล้วก็แล้งก็ทิ้งตัวนี้ตอนตอนตอนกลางวันหนูจะไม่ค่อยนั่งกับครูสูดน้ำพ่งสูดหัวหนูจะหลบนั่งอยู่ตรงกลางๆน่ะนั่งห่างๆเขาอ่คือไปกับเขาไม่ได้เลยจะต้องทําคนเดียวทำคเดียวแล้วก็มานั่งจับร่างกายนี้มันก็รู้สึกว่ามันเบานี่มันเบาอืมันไม่ปวดเมื่อยๆไม่ปวดเมื่อยรือว่าพิจารณาโดยมันมัเหมือนเลี้ยงเลี้ยงลูกฟุบอล เลามันจะลงหนูก็ตัดร่างกายมันก็ขึน้นไปใหม่มันมันดิ่งเลยนะหนูก็เล่นดิ่งอย่างนี้ตลอดเลยเล่นเล่นหนูไม่ปวดไม่เมื่อยพอมันจะลงหนูก็ตัดร่างกายมันก็ขึ้นใหม่คือแบบเลี้ยงลูกฟุตบอลไม่ให้ตกพื้นดินอะอคือคือเล่นอย่างอย่างนั้นเลย<า>เอเป็นเป็นอย่างนั้เลยกีฬาในสมาธิแบบนั้นเลยเออเออมันให้ฝึกดีขึ้ด้วยน ะ, ะอะไรคนี้ก็เออเออกีฬาสมาธินี่ก็ดีเหมือนกันเลยมันเหมือนเหมือนลูกฟุตบอลนั้นแบบจะเปรียบเทียบนะ คือมันจะขึ้นขึ้พอพอจะลงหรือก็ตัดร่างกายเลยเนี่ยมันถึงเนื้อให้ได้หรือถึงเมื่อมันเล็กขึ้นหน้าเลยคือต้องรีบไอ้ดันก่อนเลยเขาก็เล่นอย่างเงี้ยเล่นเล่นเรื่อยเลยก็ก็พออีกวันหนึ่งเออหนูก็เออมันมีความรู้สึกว่ามันอยู่ตรงหัวนะอะไรอะไรตรงหัวมันมันมันมันแบบยังไงมันเป็นกลมมมัน หมดตรงยานนี้ไงคุณผู้นมเปิรู้สก็มันเบาดีอะจะมันอยู่ที่